ธรรมบทแปลเรื่องพระสาริบุตรเถระภาคที่8เรื่องที่สองเจ็ิพระาศาสดาประทับอยู่นพระเชตวันทรงปราบพระสาริบุตรเถระตรัสพระธรรมเทศานานิว่าณนะปรามณะคือพรามไม่ควรทำร้ายปรามเป็นต้นตอน พระเตระถูกปรามตีได้ยินว่าประชาชนเป็นอันมากในตำบลหนึ่งกล่าวชมพระเตราว่ะพระผู้เป็นเจ้าของพวกเราน่าชื่นชมมีกำลังคือขันติถูกด่า ก, ก็ตามถูกทำร้ายก็ตามความโกรธแม้แต่น้อยก็ไม่ได้มีกระนั้นปรามิจจาทิติคนหนึ่งถามว่า ใครกันหนาที่โกรธไม่เป็นประชาชนทั้งหลายพระเถระของพวกเราปรามคงไม่มีคนทําให้ท่านโกรธกระมังพวกชาวบา้านไม่ใช่อย่างนั้นหรอกปรามปรามผูนน้นั้นถ้าเช่นนั้นฉันจะทําให้ท่านโกรธเองพวกชาวบา้านถ้าทําได้ก็ทําให้ท่านโกรธสิปรามนั้นคิดว่าเอาละ่ะเราจะทดลองดูดังนี้แล้ว พอเห็นพระเตระเข้าไปเพื่อปิิษาจึงย่องใบตางด้านหลังใช้ฝ่ามือฟาดท่านอย่างแรงที่กลางหลังพระเตระมิได้ใส่ใจเลยว่าอะไรเกิดขึ้นเดินไปตามปกติพรามเกิดความเร่าร้อนขึ้นทั่วกายเขาแน่ใจว่าโอพระผู้เป็นเจ้าผู้นี้ดีจริงๆดังนี้แล้ว จึงหมอบลงแทบเท้าของพระเถระเรียนว่าท่านโปรดยกโทษให้กระผมด้วยครับเมื่อพระเถระถามว่านี้เรื่องอะไรกันจึงได้เรียนกลินว่ากระผมตีท่านที่หลังด้วยอยากจะทดลองดูพระเถระเอาเถิดฉันยกโทษให้พราหมณ์ท่านผู้เจริญถ้ายกโทษให้กระผมแล้ว ก็ขอนิมนท่านนั่งรับพิกษาในเรือนของกระผมด้วยเถิดปราบนั้นจึงรับบาตรของพระเทระฝ่ายพระเทระก็ได้ให้บาตรไปแล้วพรหมนิมนพระเทระไปยังเรือนแล้วถวายอาหารเกืออังคาดฝ่ายมูชาวบ้านทราบความนั้นแล้วก็โกรธต่างคิดกันว่าพระผู้เป็นเจ้าของเราไม่ได้มีความผิด ถูกปรามผู้นี้ทำร้ายแล้วปรามผู้นี้จะต้องถูกลงโทษพวกเราจะฆ่ามันเสียในที่นั้นแหละดั่งนี้แล้วจึงได้ช่วยเอาก้อนดินและต้นไม้เป็นต้นไปยืนซุ่มอยู่ที่ประตูเรือนของปรามพระเตระลุกขึ้นจะกลับได้ให้ปรามถือบาทเอาไว้ประชาชนเห็นปรามนั้นเดินไปกับพระเตระจึงเรียนว่าท่านขอรับ ขอท่านจงรับเอาบาตของท่านแล้วให้พราหมณ์นี้กลับเสียพระเทระมีอะไรกันหรืออุบาสกพวกจ่าบ้านพราหมณ์นี้ทำร้ายท่านพวกกระผมจะแก้แค้นแทนท่านพระเทระก็พวกท่านหรือฉันที่ถูกพราหมณ์ทำร้ายกันแน่พวกจ่าบ้านก็ท่านนั่นแหละครับพระเทระพราหมณ์ทำร้ายฉันก็จริงแต่ได้ขอขอมาแล้ว พวกท่านจงกลับไปเถิดพระเทระเมื่อบอกคนพวกนั้นให้กลับก่อนและสั่งให้พรามกลับด้วยแล้วท่านเองจึงกลับไปวิหารภิกษุทั้งหลายกล่าวโทษท่านพระสารีบุตรว่านี่อะไรกันพระสารีบุตรเทระถูกพรามคนหนึ่งทำร้ายยังนั่งรับพิกษาในเรือนของเขาอีกนั่นไงท่านกำลังมา ตั้งแต่เวลาที่พระเถระถูกพรามนั้นทำร้ายต่อไปนี้พรามนั้นคงไม่เกรงใครเที่ยวทุกตีคนอื่นไปหมดตอนพราม์ไม่ควรทำร้ายปามพระาศาสดาสเสด็จมาแล้วตรัสตามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมสนทนาด้วยเรื่องอะไรกันเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูล ให้สงสาบแล้วพระศาสดาจึงตรัสว่าภิกษุตังหลายพรามมักจะไม่ทำลายพรามแต่พรามผู้สมณนะอาจถูกพรามเรือดทำลายได้บ้างขึ้นชื่อว่าความโกรธนั้นจะตอนขึ้นได้ด้วยอนาคามิมักเมื่อจะทรงแสดงธรรมจรึงได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า พราหมไม่ควรทำร้ายพราหม์พราหมณ์ไม่ควรแก้แค้นเขาพราหมณ์ผู้ทำร้ายพราหม์ก็น่าติเตียนอยู่แล้วพราหมณ์ใดแก้แค้นเขาน่าตีเตียนพราหม์นั้นกว่าผู้ทำร้ายก่อนเสียอีกการที่พราหม์หักห้ามใจจากอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นความประเสริฐหาน้อยไหมใจที่คิดเบียดเบียนย่อมหันกลับได้ จากวัตถุใดๆความทุกข์ย่อมสงบระงับจากวัตถุนั้นๆบาลีว่านะปรามณสะปหเรยะนาะสะมุนเจทะปรามโนที่ปรามณสะหันตารังตโตที่ยะสะมุนจตินะปรามณเสตะทะกินจิจะโยยะธานิเสทโท มนะโสปิเยหิยะโตยะโตหิสมโนนิวตตัตติตะโตตะโตสมติเมวะทุกขังก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าปหาเรยะแปลว่าไม่ควรทำร้ายหมายความว่าพรา์ผู้ขีนาศบรู้อยู่ว่าเราเป็นพระขีนาศ ไม่ควรทำร้ายพราหมณ์ผู้ขี่นาศพด้วยกันหรือพราหมณอื่นในคำว่าน่าสะมุนเจทะแปลว่าไม่ควรแก้แค้นเขาหมายความว่าพราหมณ์ผู้ขี่นาศพนั้นถึงถูกเขาทำร้ายก็ไม่ควรจองเวรผู้ทำร้ายก่อนคือไม่ควรทำความโกรธในปราหมณนั้นก็คำว่าทิ พรมณสะแปล ว, ว่าพรามผู้ทำร้ายพรามก็น่าติเตียนอยู่แล้วหมายความว่าเราย่อมตีเตียนพรามผู้ทำร้ายพรามผู้ขี่นาศพคำว่าตะโตทิแปล ว, ว่าหน้าติเตียนพรามนั้นกว่าผู้ทำร้ายก่อนเสียอีกหมายความว่าก็ผู้ใดทำร้ายตอบซึ่งผู้ทำร้ายอยู่ ชื่อว่าจองเวนเขาเราติเตียนผู้จองเวนนั้นกว่าผู้ทําร้ายนั้นเสียอีกคําว่าเอตัธกินจิไสยโยแปลว่าการที่เป็นความประเสริฐหาน่อยไม่หมายความว่าการไม่ด่าตอบซึ่งบุคคลผู้ด่ายอยู่หรือการไม่ทําร้ายตอบซึ่งบุคคลผู้ทําร้ายอยู่ของพระกีณาศพ ย่อมเป็นความประเสริฐไม่ใช่น้อยคือไม่เป็นความประเสริฐที่มีประมาณน้อยสำหรับพรามผู้กี่นาศพนั้นที่แต่ย่อมเป็นความประเสริฐมากมายทีเดียวก็กอที่ว่ายะทานิเสโทมณโสปิเยหิแปลว่าการที่พรามหักห้ามใจจากอารมณ์อันเป็นที่รักหมายความว่า ก็ความเกิดขึ้นแห่งความโกรธของผู้มักโกรธชื่อว่าอารมณ์เป็นที่รักแห่งใจก็ผู้มักโกรธนั้นย่อมทำผิดในมารดาบิดาก็ได้ในพระพุทธเจ้าเป็นต้นก็ได้เพราะอารมณ์โกรธอันเป็นที่รักเหล่านั้นเพราะเหตุนั้นการหักห้ามใจใดจากอารมณ์โกรธอันเป็นที่รักเหล่านั้น คือการข่มจิตอันเกิดขึ้นด้วยอำนาจความโกรธของผู้มักโกรธนั้นการหักห้ามนั้นย่อมเป็นความประเสริฐไม่น้อยใจอันสัมประยุทธ์ด้วยความโกรธชื่อว่าหิงสมโนคือใจที่คิดเบียดเบียนใจอันสัมปรยุทธ์ด้วยความโกรธของเก่านั้นเมื่อถึงความถอนขึ้นด้วยอนาคามีมัก ย่อมหันกลับได้จากวัตถุใดๆคำว่าตะโตตาโตแปลว่าจากวัตถุนั้นๆหมายความว่าวัตถทุกแม้ทั้งสิ้นย่อมหันกลับได้จากวัตถุนั้นๆนั่นแหละในเวลาจบเทสนาคนจานวนมากได้บรรลุโซดาปฏิผนเป็นต้นเรื่องพระสาริบุตรเทระ